การหลุดพน้นออกจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จําเป็นจะต้องมีที่พึ่งอยู่สองส่วนส่วนแรกเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราถือเป็นสารณะเป็นที่พึ่งคือเป็นผู้ที่จะสั่งจะสอนผู้ที่ต้องการจะหลุดพน้น ให้รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นได้ส่วนที่สองก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนคือผู้ที่ปรารถนาความหลุดพน้นจำเป็นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะปฏิบัติแทนผู้ที่ต้องการหลุดพ้นได้ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านได้หลุดพ้นแล้ว ถ้ารู้จักวิธีที่จะทำให้หลุดพน้นถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นผู้สั่งผู้สอนผู้ปฏิบัติจะไม่สามารถที่จะหลุดพน้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเองเลยยกเว้นผู้ปฏิบัติที่วิเศษที่มีความสามารถ สูงสุดคือพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นได้ด้วยตนเองเพราะไม่มีใครสั่งใครสอนไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้หลุดพ้นนั่นเองในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงไปศึกษากับคู่บ้าาจาย์ต่างๆ อาศัยครูบาอาจารย์ต่างๆเป็นที่พึ่งแต่ครูบาอาจารย์ต่างๆก็ไม่สามารถสอนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พระองค์เลยต้องไปศึกษาด้วยพระองค์เองค้นคว้าหาทางด้วยพระองค์เองจนในที่สุดพระองค์ก็สามารถที่จะพบทางสามารถที่จะทำให้พระองค์ หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พอหลังจากที่พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นแล้วพระองค์ก็ทรงเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกที่ยังติดอยู่กองกับกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้หลุดพ้นด้วยการสั่งสอนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะนําไปสู่ การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งจึงเป็นสิ่งที่มาอัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะนานๆจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งและประโยชน์สุขที่จะได้รับจากการปรากฏของพระพุทธเจ้าก็เป็นประโยชน์สุขอันมหาศาลยิ่งใหญ่กว่าประโยชน์สุขทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะวิเศษขนาดไหนก็ตามทรัพย์สมบัติจะใหญ่กองเท่าภูเขาจะมีเกียรติยศมีตำแหน่งสูงส่งขนาดไหนก็ตามจะไม่สามารถทำให้ผู้นั้นได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยมีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะสามารถ นำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงต้องสร้างสรารณะที่พึ่งสองประเภทนี้ขึ้นมาให้ได้คือพึ่งสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาให้เป็นสรารณะให้ได้สร้างอัตตาหิอัตโนนาโถ ให้เป็นสาธารณะเป็นที่พึ่งของตนให้ได้เพราะจำเป็นจะต้องมีที่พึ่งทั้งสองส่วนนี้จึงสามารถทำให้เกิดผลที่ปรารถนาได้คือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในเบื้องตน้นก็ ต, ต้องมาสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อน ด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือการเข้ามาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่ก็เข้าหาพระพุทธเจ้าเลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็ต้องเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า คำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้และได้มีการจดจําและได้มีการบันทึกไว้ในสื่อต่างๆนี้จะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตพระองค์ทรงตรัสไว้ผู้ที่เห็นธรรมะได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าได้ศึกษากับพระพุทธเจ้าโดยตรง หรือจะศึกษากับพระอรหันตสาวก็ได้คือพระสงฆ์พระสง์สงนี้ท่านก็มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าในส่วนของการดำเนินในการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศึกษากับพระ พ, พุทธเจ้าก็ได้ศึกษากับพระธรรมคาสอนก็ได้ ศึกษากับพระอริยสงสารกก็ได้ทั้งสามองนี้ทำหน้าที่แทนกันได้อยู่ที่ผู้ศึกษาว่าจะมีโอกาสเข้าหาองค์ใดองค์หนึ่งสมัยนี้ก็ไม่มีใครสามารถเข้าหาพระพุทธเจ้าได้แล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ได้สงจากพวกเราไปแล้วก็มีพระธรรมคาสอน และมีพระ อ, อริยสงสาวกผู้ที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้พบกับพระ อ, อริยสงสาวกแต่ได้พบพระธรรมคำสอนก็ต้องใช้พระธรรมคาสอนเช่นหนังสือธรรมะต่างๆหรือซีดีต่างๆที่มีการบันทึกคาสอนของพระพุทธเจ้าไว้ก็สามารถใช้ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามได้หรือถ้ามีโอกาสได้อยู่ใกล้ได้พบกับพระอริยสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งก็เข้าศึกษากับท่านโดยตรงการได้ศึกษากับพระอริยสงฆ์โดยตรงนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าการศึกษาจากพระธรรมคําสอนจากหนังสือหรือจาก สื่อที่บันทึกพระธรรมคําสอนไว้เพราะว่าเป็นการศึกษาสองทางกับทางเดียวาการศึกษาจากพระธรรมคําสอนนี้เป็นการศึกษาทางเดียวคือรับมาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะถามกลับไปได้แต่ถ้าได้ศึกษากับพระอริยสงสาวก เวลาที่ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วยังไม่เข้าใจยังสามารถที่จะสอบถามได้ประโยชน์จากการที่มีพระอริยสงสาวกเป็นครูเป็นอาจารย์นี้จะดีกว่าจากการมีหนังสือธรรมะหรือมีซีดีธรรมะไว้ฟังเพราะว่าเวลาฟังนี้บางทีก็อาจจะไม่เข้าใจ อาจจะต้องให้อธิบายขยายความให้เกิดเห็นภาพขึ้นมาถ้าอ่านจากหนังสือจะบอกให้หนังสือขยายความก็เขาก็ไม่สามารถที่จะขยายความตางความต้องการของผู้อ่านได้แต่ถ้าได้ฟังจากพระอริยสงสาวกเวลาไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ให้ ท่านอธิบายให้ชัดเจนขึ้นกว่าที่ได้แสดงไว้ก็ได้หรือว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วเกิดไปติดขัดอยู่ที่ตรงไหนหนังสือธรรมนี้ก็ไม่สามารถที่จะบอกเราได้นอกจากเราไปอ่านเจอเกี่ยวกับปัญหาของเราโดยตรงก็อาจจะแก้ปัญหาของเราไปได้ ถ้าไม่ถ้าอ่านในหนังสือธรรมะแล้วไม่เจอกับปัญหาที่ที่เกี่ยวกับปัญหาของเราเราก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของเราได้ก็ต้องก็ต้องรอไปก่อนหรืออ่านไปอีกค้นคว้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปเจอกับคําตอบที่เราต้องการ แต่ถ้าได้อยู่กับพระอริยสงสาวกุกได้ศึกษากับพระอริยสงสาวกหรือสามารถเข้าหาพระอริยสงสาวกได้เวลาที่มีปัญหาพอเข้าไปแล้วไปเล่าปัญหาให้ท่านฟังท่านก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับเราได้เพราะว่าท่านเคยผ่านปัญหาเหล่านี้มาแล้วนั่นเองจึงสามารถที่จะช่วยให้เราได้แก้ปัญหา ไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยกตัวอย่างสมัยที่หลวงตาท่านบำเพ็ญขั้นสุดท้ายของธรรมเป็นช่วงที่พระหลวงปู่มั่นท่านได้มรณภาพไปแล้วท่านมีปริศนาธรรมปรากฏขึ้นมาภายในใจแต่ท่านไม่สามารถที่จะตอปริศนาธรรมนั น, นั้นได้ ท่านก็เลยต้องค้นคว้าอยู่หลายเดือนด้วยกันจนได้พบคำตอบท่านเล่าว่าถ้าได้ถ้าหลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่ถ้านำป็นศนาธรรมนี้ไปกราบเรียนให้กับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นก็จะชี้คำตอบให้ได้ทันทีเลยท่านก็จะไม่ต้องแบบ ปิดสนานี้ไปอยู่เป็นเวลาอยู่หลายเดือนด้วยกันนี่คืออนิสง์ประโยชน์จากการที่เราได้ปฏิบัติได้ศึกษากับพระอริยสงฆ์สาวกประโยชน์ที่จะดีกว่าได้จากการศึกษาจากหนังสือเช่นจากพระไตรปิฎกอย่างชาวต่างประเทศนี้เขาอยู่ ในประเทศที่ไม่มีพระอริยสงสาวกเขามีหนังสือธรรมะมีพระไตรปิฎกให้เขาศึกษาเขาก็สามารถศึกษาและปฏิบัติไปได้แต่พอเขาไปเจอปัญหาเขาไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองและก็ไม่มีใครที่จะมาแก้ปัญหาให้กับเขาได้เขาก็เลยต้องมาประเทศไทย มาศึกษากับพระอริยสงสาวกเขาจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาที่เขาติดอยู่ได้นี่คือประโยชน์ของที่พึ่งอันมากคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการบําเพ็ญเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีภาษาวกลูกใดเลยที่จะบอกว่าไม่ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์จำเป็นจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ทุกลูกพระอรหันตสาวกทุกองค์หลวงปู่มั่นท่านก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นซานะเป็นที่พึ่งครูบาอาจารย์ที่เป็นลุกศิษย์หลวงปู่มั่น ท่านก็มีหลวงปู่มั่นเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งเป็นผู้อบรมสั่งสอนผู้ชี้ทางผู้ผู้แก้ปัญหาให้ดังนั้นผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้อย่าไปปฏิเสธครูบาอาจารย์อย่าไปคิดว่าตนเองฉลาดสามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ด้วยการศึกษาจากหนังสือเพียงอย่างเดียวก็อาจจะสามารถที่จะบรรลุได้ถ้ามีความฉลาดเพราะว่าบางทีการอ่านหนังสือนี้ก็อาจจะแปลความหมายไปผิดได้เพราะกิเลส ท, ที่มีอยู่ในใจนี้มันจะฉลาดกว่าผู้ปฏิบัติกิเลส มันเคยหลอกผู้ปฏิบัติมาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับอิเล ท, ที่จะหลอกผู้ปฏิบัติที่ศึกษาจากพระจากหนังสือเพียงอย่างเดียวเพราะการอ่านหนังสือนี้สามารถที่จะแปลความหมายของตัวอักษรนี้เป็นมิจฉาทิฐิไปก็ได้แต่ถ้ามีครูบาาจารย์นี้ พอลูกเิร็์มีมิจฉาที่ขีดปรากฏขึ้นมานี่ท่านจะท่านจะเตือนท่านจะบอก ถ้าปฏิบัติตามลำพังอาจจะถูกโมหะอาวิชชาที่ครอบงำจิตใจหลอกให้เห็นผิดเป็นชอบได้แต่ถ้ามีครูมีอาจารย์นี้ท่านจะรู้ทันทีว่ากำลังหลงทางแล้วท่านก็จะเตือนทันทีอย่างลงุงยงลงตาขณะที่ปฏิบัติของลงปู่มัน่นท่านก็หลงติดอยู่กับสมาธิท่านไม่ออมออกทางปัญญา ได้อัปปนาสมาธิกิตรวมแล้วมีความสงบมีความสุขก็เพื่อเตืนอยู่กับการบํมมภาเพ็ญสมถภาวนาเพียงอย่างเดียวจนหลวงปู่ม่านต้องเตือนว่ า, าสมาธินี่มันเป็นเหมือนเศษ เ, เ, เนื้อที่ติดฟันอยู่ เ, เป็นเนื้อชิ้นเล็กๆ เ, เท่านั้นเอง เ, อเนื้อชิ้นใหญ่กว่า กำลังรออยู่กับไม่ไปรับประทานคือการออกทางปัญญาเพราะหลวงปู่มั่นเตือนแล้วหลวงตาท่านก็เลยเออกทางปัญญาเริ่มพิจารณาสภาวธรรมทั้งปวงทั้งหลายเช่นร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะพิจารณาธรรมที่ละเอียดที่อยู่ภายในใจจนถึงขั้น ฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่หลับไม่นอนไปเล่าให้หลวงปู่มั่นท่านฟังหลวงปู่ท่านก็บอกว่าติดสังขารความคิดปรุงแต่งโดยเถิดพิจารณาจนโดยเถิดจนเก็ะจิตเกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าเป็นปัญญาแล้วมันจะต้องสงบเพียงอย่างเดียวถ้ามันฟุ้งซ่านถึงกับนอนไม่หลับถึงไม่นอนสามคืนด้วยยังไงนี้ สแสดงว่ากำลังติดสังขารความคิดตรงแต่ไม่ใช่ติดปัญญาทาก็หมดวันนี้รู้สึกว่ามีามาเอาล่อนพักกินน้ำหน่อย เ, ออเปลี่ยนถายไม่ประจานทร์จะเป็นตัวนี้ ว่ามันไม่น่า <c oughs> จะสองตัวแบบนั้น พูดถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการได้ศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวกเวลาเกิดปัญหาหรือเวลาที่เดินหลงทางท่านจะคอยเตือนท่านจะคอยดึงให้เรากลับเข้าสู่ทางอย่างนลวงตาตอนต้นท่านก็ติดสมาธิหลวงปู่มั่นก็บอกว่าเป็นเศษเนื้อเนื้อติดฟันพอออกทางปัญญาก็พิจารณาแบบไม่หยุดไม่หย่อน ไม่หลับไม่นอนจนจิตคุ้งซ่านขึ้นมาท่านก็บอกว่ากำลังติดสังขารความคิดปรุงแต่งต้องมีการพักจิตบ้างระหว่างพิจารณาคือปัญญากับระหว่างการพักอยู่ในสมาธิเป็นเป็นธรรมที่ต้องอาศัยกันและกันคือปัญญาและสมาธิ ถ้ามีแต่สมาธิเพียงเดียวจิตก็จะไม่เจริญก้าวหน้าถ้าเจริญปัญญาเพียงอย่างเดียวจิตก็จะฟุ้งซ่านได้ดังนั้นเวลาที่พิจารณาทำแล้วจนเกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาก็จำเป็นจะต้องหยุดพิจารณาไว้ชั่วคราวแล้วกลับเข้ามาพักจิตในสมาธิ เพื่อให้จิตได้มีความสงบได้มีอุเบกขาไม่มีอารมณ์กับการพิจารณาเพราะจิตได้สงบตัวได้พักได้มีอุเบกขาพาอออกจากสมาธิมาแล้วก็เริ่มพิจารณาต่อปัญหาที่ได้พิจารณาอยู่ที่ไม่สามารถเห็นเห็นผลได้ก็จะปรากฏผลขึ้นมาอย่างง่ายได้เพราะจิต เริ่มเป็นจิต ท, ที่มีเหตุมีผลไม่ใช่จิต ท, ที่เป็นจิต ท, ที่มีอารมณ์นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์จากการที่ได้อยู่กับผู้ที่ได้หลุดพ้นแล้วได้อยู่กับพระอริยสงสาวกท่านได้ผ่านประสบะการณ์เหล่านี้มาแล้วพอลูกศิษย์ไปมีประสบะการณ์เหล่านี้ท่านก็สามารถบอกวิธีก้าได้ และช่วยให้หลุดออกจากการติดอยู่กับปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้สามารถให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ในที่สุดนี่คือความแตกต่างระหว่างการศึกษาจากพระธรรมคำสอนจากสื่อต่างๆเช่นจากหนังสือหรือจากแผ่นซีดีหรือจากการ เ, าเข้าไปใน สื่อของอินเทอร์เน็ตยกเว้นสมัยนี้มีการถ่ายทอดสดอย่างที่เรากําลังทํากันอยู่ในตอนนี้ผู้ปฏิบัติถ้ามีความสงสัยมีความไม่เข้าใจก็สามารถที่ส่งข้อความเข้ามาได้เลยแล้วผู้ตอบก็สามารถตอบให้ได้ทันทีผู้ฟังผู้ติดตามพอได้รับคําตอบ ก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาไปได้ถ้าเป็นสื่อที่ไม่มีการตอบโต้เช่นอ่านในหนังสือหรือฟังคลิปที่เก็บไว้แต่ไม่ได้เป็นการถ่ายทอดสดก็จะไม่สามารถถามคำถามได้ถ้ายังมีคำถามมีความข้องใจก็ยังต้องเก็บไว้ก่อนจนกว่าจะไปพบคำตอบ จากการอ่านหนังสือจากการฟังสื่อต่างๆก็ดีหรือจากการได้พบกับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่สามารถให้คำตอบได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีพระอริยสงสาวกมีแต่พระธรรมคำสอนที่จะเลอกไว้ในหนังสือในสื่อต่างๆก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนี่เพียงแต่พูดเปรียบเทียบให้ฟัง ความแตกต่างระหว่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่นี้ยิ่งดีใหญ่ดีกว่าพระอริยสงสาวกเพราะพระพุทธเจ้านี้มีความสามารถมีความรู้ความฉลาดในการแสดงธรรมในการตอบปัญหาให้แก่ผู้ที่สงสัยสามารถทําให้เขาได้หายสงสัยได้อย่างง่ายได้และรวดเร็ว สามารถทําให้เขาหลุดพ้นได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าจะหลงอย่างมากมายก็ยังสามารถช่วยให้เขาหายหลงได้เช่นองค์คุลิมานองค์คุลิมานนี่หลงว่าการจะบรรลุธรรมขั้นสูงได้ น, นี้จําเป็นจะต้องฆ่าคนถึงหนึ่งพันคนก็ฆ่าได้แล้วถึงเก้าร้อยเก้าสิบเ้าคน พอมาถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าได้เพราะพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทำให้องคุลิมานี้ไม่สามารถวิ่งตามตัวพระพุทธเจ้าได้จนองคุลิมาน ถ, ถึงกับต้องอตะโกนร้องขอว่าขอให้พระพุทธเจ้าหยุดเาขาวิ่งตามแทบเป็นแทบตายแต่วิ่งไม่วิ่งไม่ทัน พระพุทธเจ้าก็ย้อนกลับไปว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดองคุลิมาลก็แปลกใจในคำตอบของพระพุทธเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงพูดปดหรือเปล่าเพราะเขากำลังวิ่งตามอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ได้หยุดแล้วถ้าพระองค์ได้หยุดแล้วทาไมเขาถึงยังวิ่งตามไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ตอบไปว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลง พอใช้อุบายวิธีสั่งสอนองค์คุลิมาโดยที่องคคุลิมาไม่รู้สึกว่ากําลังถูกสั่งสอนฮะองค์ุลิมาได้ยินเข้าก็สะดุ้งขึ้นมาเข้าใจถึงความโง่เขลาเบาปัญญาของตนเองเข้าใจในความในปัญญาของพระพุทธเจ้าในความเมตตาของพระพุทธเจ้าแทนที่จะโกรธจะเกลียดองค์คุลิมาที่จะพยายามฆ่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ากลับมีแต่ความเมตตาสงเคราะห์ส ง, ส, ง ส, สั่งสอนแก้ความหลงของอกคุลิมารด้วยอุบายอันแยบคายทำให้องคุลิมานนี้แก้ความหลงของตนเองได้ว่าตนเองกำลังไปในทางที่ผิดไปในทางของความโลภความโกรธความหลงซึ่งไม่ใช่เป็นทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ที่จะทำให้บรรลุธรรมอันวิเศษขึ้นมาได้ต้องหยุดความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นถึงจะสามารถบรรลุธรรมอันวิเศษที่พระอริยเจ้าทั้งหลายบรรลุถึงได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความสามารถของพระพุทธเจ้าที่มีความสามารถมากกว่าพระอริยสงฆ์สาวกทุกองค์ และถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วนีจะมีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่าศึกษากับพระอริยสงสาวกแต่ถ้าได้ศึกษาจากพระอริยสงสารกก็ยังจะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้ง่ายกว่าเร็วกว่าจากการศึกษาจากหนังสือธรรมะหรือจากการฟัง ธรรมะที่บันทึกไว้ในซีดีเป็นต้นนี่คือเรื่องของสาระที่พึ่งองค์แรกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้บอกทางผู้ที่ต้องการหลุดพ้นนี้เป็นเหมือนนักศึกษาเป็นนักเรียนนักศึกษานักเรียนนี้จะเรียนไม่จบ ถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์คอยสั่งคอยสอนถ้าไม่มีครูในห้องเรียนคิดดูสิว่านักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนจะทําอะไรกันก็จะเล่นกันลองสังเกตดูเวลาครูออกจากห้องไปนี่นักเรียนอยู่ในห้องก็จะเล่นกันทันทีเพราะนี่เป็นสารชาติยานของนักเรียนไม่ชอบเรียนชอบเล่นต้องมีคนคอยควบคุมบังคับถึงจะเรียนกัน พวกที่ต้องการจะหลุดพ้นก็เหมือนกันถึงแม้อยากจะหลุดพ้นแต่ก็ไม่อยากปฏิบัติไม่ชอบปฏิบัติกันถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ก็จะทะเลาทะลายกันอยากไปเที่ยวไปเล่นกันแทนที่จะบำเพ็ญแทนที่จะปฏิบัติกันก็ไม่ปฏิบัติแทนที่จะสารวมกายวาจาใจก็ไม่สำรวมกันแทนที่จะระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆ ก็จะไม่ดังงับกันแต่พอมีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนคอยเตือนอย่างพระเนมที่อยู่กับหลวงตาเนี่พอเห็นหลวงตาแต่ละครั้งนี่กายว่าจจใจไม่รู้มันสงบขึ้นมาได้ยังไงของมันเองโดยที่ไม่ต้องบังคับแต่เวลาท่านพระเวลาท่านไม่อยู่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าท่านความสงบกายว่าจจใจไม่รู้มันหายไปไหนกิเลสตัณหามัน โออกมาทันทีนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้ศึกษากับครูบาอาจารย์เพราะท่านจะคอยกำหลาบกิเลสตัณหาของพวกเราที่พวกเราเองไม่สามารถกำหลาบมันได้ต้องอาศัยบารมีของครูบาอาจารย์ช่วยกำหลาบพอเจอครูบาอาจารย์นี้มันจะสํารวมขึ้นมาทันที ติตสตังที่มันหายไปนี้มันจะกลับมาทันทีนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งแต่มีกรูบาจารย์แล้วแต่ถ้าเราขี้เกียจจะขยันแต่เฉพาะเวลาที่อยู่ต่อหน้าท่านมันก็ไม่พอเพราะการปฏิบัตินี้มันต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนหลับครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่สามารถที่จะมาขนาบอยู่กับเราได้ตลอดเวลาท่านก็จะอยู่กับเราช่วงที่เราไปทำภารกิจร่วมกันกันกบท่านเช่นเวลาไปบินธบาตไปขบฉันเวลาปัดกวาดหรือเวลาที่ท่านเรียกมาอบรมสั่งสอนเท่านั้นแต่เวลาอื่นท่านก็จะไม่ได้คอยคุมคอยดูเรา ถ้าเราไม่คอยคุมไม่ดูเราด้วยตนเองถ้าเราไม่เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเองเป็นที่พึ่งของเราเองเราก็จะไม่สามารถที่จะบําเพ็ญให้หลุดพ้นได้เราจึงต้องมีที่พึ่งอันที่สองนี่คือมีอัตตาหิตอัตโนนาถูเราต้องเป็นอาจารย์ของเราเองด้วยต้องคอยสั่งคอยสอนตัวเราเองอยู่เสมอว่าให้ปฏิบัติให้ทําความเพียร ไม่ให้เกียดค้านไม่ให้ทะเลทะลายไม่ให้ไปในทางของความโลภความโกรธความหลงไม่ให้ไปในทางของกามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะต่างๆไม่ให้ไปในทางขี้เกียจง่วงเหงาหานอนไม่ให้ไปในทางของความคิดปรุงแต่งที่ทําให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องคอยสั่งคอยสอนคอยเตือนตัวเราเองอยู่เสมอถ้าเราไม่สั่งไม่สอนไม่บังคับตัวเราเองต่อให้มีครูบาอาจารย์ดีขนาดไหนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้พระที่อยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บรรลุกันทุกองทุกรูปนีายฉันนะเป็นคนสนิทของพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ได้บรรลุธรรมะ ทั้งๆ ท, ที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายัางไม่ได้บวชแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เพราะมีสาระเพียงครึ่งเดียวมีพุทธะเป็นสาระเป็นที่พึ่งแต่ไม่มีอัตตาอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งเวลาที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าก็ ไม่สนใจต่อการ ป, ปฏิบัติต่อการเจริญสติต่อการควบคุมใจให้สงบต่อการเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นทุกข์นี่ก็เลยไม่สามารถหลุดพ้นได้ถึงแม้จะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงคอยทรงตัดไว้ว่า ต่อให้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเกาะชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่สนใจที่จะปฏิบัติที่จะศึกษาอย่างต่อเนื่อง <c oughs> ก็เหมือนกับอยู่ห่างไกลาจากพระพุทธเจ้าเป็นโยน์แต่ถ้าผู้ที่อยู่ห่างไกลาจากพระพุทธเจ้าเป็นโยต์แต่มีอัตตาหิอัตโนานาเถคือมีตนเป็นคอยคอยสั่งคอยสอนคอยเตือนตน ให้มันปฏิบัติอยู่เรื่อยๆให้มันศึกษาพราะธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลนั่นแหละเป็นผู้ที่เกาะชายผ้าเหลืองอยู่ใกล้ชิดกับเราเพราะว่าจะได้รับประโยชน์ผู้ที่คอยเตือนตนคอยสอนตนให้มันทำความเพียรอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่ในทุกอิริยาบทของการเคลื่อนไหวตั้งแต่เตื่นขึ้นมานี้ให้มีสติควบคุมใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการใช้กายากระตาสติคือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายสําหรับผู้ที่ยังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิการเจริญสตินี้เป็นงานสําคัญดะงานแรกที่จะต้องทําให้สําเร็จได้ต้องเจริญสติจนสามารถนั่งสมาธิทําให้จิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ ทำให้จิตเป็นสักแต่ว่ารู้ได้เป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาได้เป็นสุขเนี่เมื่อได้เอาสมาธิแล้วเนี่แหละถึงจะเปลี่ยนจากการเจริญสติเวลาออกจากสมาธิมาให้มาเปลี่ยนเป็นการเจริญปัญญาแทนให้ศึกษาให้พิจารณาสภาวะธรรมทั้งปวงเช่นร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย นอนาตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟเป็นของขวัญที่พ่อแม่ให้มาเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเราเพียงแต่มาครอบครองร่างกายไว้เป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ถ้าเราอยากให้ไม่ให้งกายไม่แก่ไม่เจ็บเราก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาโดยใช่เหตุ แล้วก็จะไม่สามารถไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้อยู่ดีทุกไปเปล่าๆทุกเพราะไม่รู้ว่ากำลังสร้างความทุกข์ทุกเพราะอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือการเจริญปัญญาที่ผู้ที่ได้สมาธิแล้วหลังจากออกสมาธิมาควรที่จ ะ, จะเจริญพิ จ, จารณาสภาวธรรมต่างๆที่ใจมาเกี่ยวข้องมาครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือเป็นทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเป็นลาบยศสรเสริญเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เห็นว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ได้เป็นสุขเลยเป็นสุขก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบควันไฟพอความสุขนี้จางหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาทันที ต้องเห็นทุกข์ในรากยศสรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเห็นทุกข์ในการยึดติดอยู่กับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราและยึดเห็นทุกข์ในการยึดติดอยู่กับร่างกายของคนอื่นเช่นร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีของภรรยาของบุตรของธิดา ของเพื่อนฝูงของญาติสนิทมิตรสหายต้องพิจารณาเหมือนกันหมดว่าเป็นไตรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและถ้าเกิดมีกามอารมณ์อยากจะเสพอยากจะร่วมหลับนอนกับร่างกายของคนใดคนหนึ่งก็ต้องพิจารณาร่างกายนั้นให้เห็นว่าเป็นอสุภะเห็นว่าไม่สวยไม่งามส่วนที่ไม่สวยไม่งาม มีอยู่แต่มองไม่เห็นกันคือส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเป็นต้นเช่นโครงกระดูกเช่นอวัยวะต่างๆหัวใจปอดตับไตรลำไส้เป็นต้นเนเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูเห็นแล้วก็จะไม่เกิดการมารลมขึ้นมาถ้าอยากจะดับการมารลมอยากจะอยู่คนเดียวโดยที่ไม่รู้สึกเหงาหรือว้าเหว อยู่อย่างมีความสุขก็ต้องเจริญอสุพภะอยู่เรื่อยเพราะความเหงาความว้าเหวนี้ก็จากความอยากในการมารณมนั่นเองเพอคิดถึงบุคคลที่เรารักเราชอบก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับเขาพอไม่ได้อยู่ใกล้ชิดก็จะเกิดความรู้สึกเหงาว้าเหวขึ้นมาแต่ถ้าคิดถึงความไม่สวยงามของบุคคลที่เรารักเราชอบ การอารมณ์ก็จะไม่เกิดขึ้นมาความเหงาความว wow ้าเหวก็จะไม่มีจะอยู่ได้อย่างเป็นสุขโดยที่ไม่ต้องมีใครมาให้ความสุขเพราะสุขคนที่ให้ความสุขกับเราเขาก็บางจะให้ความทุกข์กับเราด้วยทุกข์ในหลายรูปแบบด้วยกันทุกข์เพราะทะเลาะวิวาทกันทุกข์เพราะว่าอยู่ห่างไกลจากกันทุกข์เพราะว่าต้องจากกัน ไมีความทุกข์ทั้งนั้นสู้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วสบายไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาหาคนอื่นอยู่เรื่อยๆที่ยังต้องกลับมาเกิดมาหาคนอื่นมาเป็นคู่ครองก็เพราะว่ายังมีกามารมณ์อยู่นี้เองเพราะยังไม่เห็นร่างกายของคนที่เราอยากจะได้มาเป็นคู่ครองว่าเป็นอสุภะนั่นเอง ก็ต้องเจริญอสุภะต้องพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายในรูปแบบต่างๆ้วพิจารณาศพสิบชนิดก็ได้ร่างกายต่อไปของทุกคนก็จะต้องเป็นสร้างศพถ้าเป็นสมัยโบราณสมัยพุทธกาลเขาไม่เผาเขาไม่ฝังกันเขาไปทิ้งไว้ในป่าชาสามารถไปเยี่ยมชมสิบเยี่ยมชมศพ ส, สิบชนิดนี้ได้ ศพเพิ่งตายใหม่ขึ้นอื่นศพที่เปลี่ยนสีเป็นเขียวคําศพที่มีน้ํำหนองไหลออกมาศพที่แยกออกเป็นท่อนๆสัตว์ที่มีแรงกกัดศพที่มีแรงกกัดกศพที่กระจัดกระจายศพที่เหลือแต่โครงกระดูกอันนี้เป็น อสุภะเป็นร่างกายของคนที่เรารักเราอยากจะได้มาครอบครองเป็นสมบัติของเราพอเห็นความไม่สวยงามของร่างกายของคนที่เราอยากจะได้มาเป็นคู่ครองเราก็จะไม่อยากได้ทันทีเราก็จะอยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าวเวกลับมีความสุขเสียอีกอยู่คนเดียวนี้จะมีความสุขที่ได้จากความสงบ ความสงบของใจนี้เป็นความสุขยิ่งใหญ่กว่าความสุขความสุขทั้งปวงผู้ใดสามารถละกามตัณหาได้แล้วจิตจะสงบจิตจะมีความสุขจะอยู่คนเดียวได้โดยไม่ต้องมีร่างกายของเอิญมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขนี่คือการจเจริญปัญญาของผู้ที่บําเพ็ญ ต้องเป็นผู้เป็นที่พึ่งของตนต้องเป็นผู้บำเพ็ญเองต้องเป็นผู้เจริญปัญญาเองต้องเป็นผู้เจริญสติเองต้องเป็นผู้นั่งสมาธิเองถ้ายังไม่มีธรรมเหล่านี้ต้องสร้างธรรมเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้เพราะธรรมเหล่านี้นี่แหละที่จะทำให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีอะไรในโลกนี้แม้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่สามารถทาให้เราหลุดพ้นกันได้ พระพุทธรธรรมพระสงค์เพียงบอกธรรมที่เราต้องต้องมีต้องเจริญเท่านั้นท่านสอนให้เราเจริญมรรคให้เจริญศีลให้เจริญสติให้เจริญสมาธิให้เจริญปัญญาแต่ท่านไม่สามารถที่จะเจริญทำเหล่านี้ให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้เจริญเองเราจึงต้องเป็นอัตตาหิอั ต, ตโนนาโทเราต้องเป็นที่พึ่งของเราเองเป็นครูอาจารย์ของเราเอง ไปเรียนรู้จากครูบาจารย์มาแล้วก็เอาคําสั่งคําสอนของครูบาจารย์นี้มาคอยสั่งมาคอยสอนตัวเร า, เอาอีกทอดหนึ่งเวลาไหนที่เราขี้เกียจก็ต้องขนาบมันต้องลงโทษมันมันขี้เกียจต้องลงโทษอย่าให้มันนอนอย่าให้มันกินต้องทรมานมันถ้าขี้เกียจภาวนาก็อยากกินเสียข้าวสุก ข, ของชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาใส่บาตรให้เรานี้เพื่อให้เรา มาบำเพ็ญมาปฏิบัติไม่ให้เรามากินมานอนมาเล่นมาเที่ยวกันนี่คือการสอนใจการเป็นอัตตาเหตุอัตโนนาโิจะให้ครูบาอาจารย์เป็นคนมาคอยสั่งคอยสอนคอยเตือนตลอดเวลาย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่ทราบเสียงมันมาจากที่ไหนเลยนเ น, ยแบบนี่ไยไม่เปยนไรอ่า เดี๋ยวเอาสั้งหลายกันเดี๋ยวเอ า, อางั้นก็ที่เครื่องฟังแล้วมักจะไม่ค่อยเกิดประโยชน์แล้วก็ขอสรุป ก, ก็แล้วกันว่าการจำเพ็นการหลุดพ้นนี้จําเป็นจะต้องมีสารณะสองส่วนก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนและมีอัตตาหิอัตโนนาถเป็นผู้ที่จะบังคับผู้ปฏิบัติเองให้ปฏิบัติตามคำสอนให้ได้ ถ้ามีตานะทั้งสองส่วนนี้แล้วผลที่เราต้องการกันคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นก็ขอให้ท่านจงนําเอาตานะทั้งสองนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงที่ท่านทั้งหลายปรารถนากันที่จะตามมาต่อไปการจบไม่ต้อง มาัสรเี่ยแล้วป่ที่ว่าไหนอันนี้จังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะขออนุญาต ย, ย, ยุติการถามตอบปัญหาถ้าใครอยากจะถามก็เข้ามาที่ศาลานี้มีไมโครโฟนให้ท่านได้ถามเพื่อผู้อื่นจะได้ยินทั้งคาถามและคาตอบอย่างชัดเจนถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้ทางบ้านที่ส่งข้อความมาทาง a c e b o o k หรือ youtube ได้ถามไปก่อนอ่าม่ละทางนี้อ่ นานๆจะผู้ใกล้ๆหน่อยเพื่อนได้ยินไหมคะได้ยินเพื่อนที่เดนมาร์กที่อยู่ที่ตอ้ใกล้ๆมาหน่อยเพื่อนที่เดนมาร์กแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่ชามนะฮะเขาขังตัวเองประมาณสองเดือนที่จะอยู่ปฏิบัติถ้าไม่ไปไหนให้ฝากเรียนถามท่านอาจารย์ว่า มันจะมีวิธียังไงเพราะว่าเขาทราบว่าท่านอาจารย์เคยเคยทำแบบนี้สมัยตอนที่ท่านอาจารย์ยังไม่ปวดอ่ะนะแต่ว่าจะใช้วิธียังไงที่บังคับจิตใจไม่อยากไม่ให้ออกไปข้างนอกอ่ะฮะบางครั้งเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะออกไปข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยก็ใช้เหตุใช้ผลดูผลที่เกิดจากการทำตามความอยากแล้วมันได้อะไรกลับมามันก็ได้ไปคลายความเครียดที่มันเกิดขึ้นเวลาเกิดความอยากพอได้ออกไปแล้วพอกลับมา มันก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าเราไม่ออกไปเราสามารถฟันฝ่าความอยากนี้ได้ฟันฝ่าความเครียดนี้ได้ด้วยการบาเพ็ญเจริญสตินั่งสมาธิไปพอความอยากนี้มันหายไปต่อไปมันก็จะไม่มารบกวนเราถ้าเราทุกครั้งที่เราอยากแล้วเราทนอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกไปตามความอยากมันก็จะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อย มันก็จะติดอยู่กับตรงนั้นไปไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าทุกครั้งที่เกิดความอยากแล้วเราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญามาแก้แล้วก็สามารถทำให้ใจเราสงบได้โดยที่ไม่ต้องไปทำตามความอยากต่อไปความอยากก็จะไม่มีอิทธิพลที่จะมาคอยสั่งมาคอยบังคับให้เราไปทำอะไรต่างๆเราก็จะอยู่อย่างอิสระ ความอยากนี่มันเป็นเหมือนเจ้านายเราเป็นเหมือนทาตของความอยากเวลามันสั่งให้เราไปหยิบกาแฟนี่ใจเราต้องไปเราต้องไปล่ะถ้าไม่ไปเดี๋ยวมันก็จะกรีดขึ้นมามันจะทําให้เราหงุดหงิดนาคาญใจแต่ถ้าเราใช้พุทโธสู้กับมันใช้สมาธิสู้กับมันไปไม่ยอมไปกินย อ, อยอมอยออมดยอมตายบหรือใช้ปัญญาก็ได้ว่ากินไม่กินกาแฟไม่ตายหรอก แต่ถ้าไม่กินแล้วกิเลส ท, ที่อยากจะกินกาแฟนะัมันจะตายเมือมันตายแล้วเราก็จะสบายเพราะกิเลสนี่แหละที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเราที่มาคอยข่มเหงรังเกีเรามาคอยคอยกดดันเราคอยสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่มีใครที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของเราที่แท้จริงนอกจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี้เท่านั้นเราต้องใช้ปัญญาสอนใจ เราดูเหตุดูผลจากการทำตามความอยากกับการฝืนความอยากว่าอันไหนจะดีกว่ากันถ้าเราฝืนความอยากได้แล้วใจเราจะโล่งจะเบาจะสบายเวลาความอยากมันถอยทับไปใจจะสงบเย็นสบายแล้วเราก็จะรู้ว่าเราชนะมันได้ครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะชนะมันได้เรื่อยๆถ้าเรามันแพ้ถ้าเราแพ้มันอยู่ครั้งหนึ่งเราก็จะแพ้มันไปเรื่อยๆ สรุปก็คือว่าหยุดความอยากด้วยอันแรกก็คือพุโทโธพุโทโธอ่าพุโทโธไปแล้วก็ใช้เหตุผลปัญญาสอ น, นใจก็คือปัญญาอ่ญญาใชปญญา่ปัญญาก็จะทําให้เราเห็นรู้ว่าทําไมเราจึงไม่ต้องทําตามความอยากเพราะทําตามความอยากก็ต้องทําตามมันไปเรื่อยๆก็ไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้อยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรจะได้ไปบอกเขาแต่ก็คิดว่ายอย่างนี้นนี้ คุยคุยบก็ายอเขาติดติดตามฟซ๊ได้ปล่าไมก็ต hmm. ิดตามอยู่ไม่เปิดเลยเลย คำถามคำถามจากคุณสินินาธนะครับเวลานอนเรารู้ลมหายใจเข้าออกถือว่าเป็นการเจริญสติที่ถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะไม่ถูกหรอกเพราะว่าการเจริญสติไม่ควรเจริญในท่านอนเพราะมันจะทำนำไปสู่การหลับ การเจริญสติควรจะเจริญในอิรยาบทอื่นเดินยืนนั่งหรือเวลาที่เราทำภารกิจการงานต่างๆอันนั้นเป็นเวลาที่เราควรเจริญสติเวลานอนนี้ถ้าเจริญไปเดี๋ยวมันก็หลับมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากช่วยทำให้นอนหลับเท่านั้นเองคำถามจากคุณดนนภานะครับ ทำสมาธิเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงพยายามทำทุกวันในช่วงเช้าอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าควรเพิ่มเวลาในการปฏิบัติอีกไหม อ, อ๋อแน่นอนถ้าต้องการที่จะได้ผลเต็มร้อยการปฏิบัติก็ต้องเต็มร้อยถ้าปฏิบัติแค่หนึ่งใน10มันผลก็ได้แค่หนึ่งในสิบ นั้นก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติว่าต้องการผลมากน้อยเพียงไรเหมือนกับการลงทุนลงทุนซื้อหุ้นหมื่นหนึ่งกับซื้อหุ้นแสนหนึ่งนี้ผลตอบแทนมันก็ไม่เท่ากันถ้าอยากจะได้ผลตอบแทนมากก็ต้องลงทุนมากถ้าอยากจะได้ผลจากการปฏิบัติมากก็ต้องปฏิบัติให้มากคำถามจากคุณเลิฟธรรมะนะครับ ถ้ามีพระที่เรารู้จักท่านจะออกธุดงไปพมา่าเพื่อไปเรียนกรรมฐานสายปัตมังนั่งเข้าฌานในถ้ำสายปัตมังสั่งพมา่าในถ้ำระหว่างเดินธุดงไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ต, ตลอดทั้งเรียนกรรมฐานหนึ่งเดือนเราถ้าเราถวายปัจจัยในการเดินทางเราจะได้รับอนิสงอะไรบ้างเจ้าคะ ถ้าท่านเอาเงินไปใช้ในการศึกษาในการปฏิบัติก็เท่ากับเราได้ช่วยสนับสนุนให้ท่านได้เจริญได้บําเพ็ญธรรมเราก็จะได้ทานก็เป็นการทําบุญทําทานในอีกรูปแบบหนึง่งเหมือนกับการใส่บาตรก็เหมือนกับก็เป็นการทําบุญทําทานอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้สอ์ก็คล้ายคลึงกันเกิด อ, อยู่ในกลุ่มทาน ก็จะทำให้เรามีอ น, นิสงส์คือเราจะมีบุญติดตัวไปโอกาสหน้าถ้าเรามีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็จะมีผู้อื่นเข้ามาช่วยเหลือเราถ้าเราช่วยเหลือผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะมาช่วยเหลือเราเวลาที่เราเดือดร้อนคำถามจากคุณสป i ริตชูนะครับมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ขอพระอาจารย์ช่วยขยายความให้เข้าใจง่ายๆหน่อยครับ คือเผ่าพันธุ์ก็คือคนเรานี่ก็มีเป็นเผ่าพันธุ์ก็คือดีหรือชั่ว น, นี่ก็เป็นเผ่าพันธุ์คนที่เคยทำความดีมาก็จะเป็นคนดีคนที่ทำชั่วมาก็จะเป็นคนชั่วชั่วหรือดีนี้มันเกิดจากการกระทำคือกรรมนี้เองมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าทำกรรมดีก็จะเป็นคนดีเป็นเผ่าดี ถ้าทำชั่วก็จะเป็นเผ่าชั่วพอเราดีชั่วไม่ได้อยู่ที่หน้าตาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายรูปร่างหน้าตาผมผมขาวหรือผมเขียวหรือผมแดงฮะแต่อยู่ที่การกระทําำถ้าทําดีก็เป็นพวกพวกดีอถ้าทําชั่วก็เป็นพวกชั่วงั้นถ้าเราอยากจะมีเผ่าพันธุ์ที่ดีเราก็ต้องทํากรรมดีคํา <c oughs> คำถามจากคุณประดิษฐ์นะครับวิธีการบวชจิตควรปฏิบัติอย่างไรบ้างครับบวชจิตบวชจิตครับอาจารย์บวชจิตบวชยังไงน่าจะ<ว>แบบไม่บวชแต่ว่าปฏิบัติทางจิตปฏิบัติเองเหมือนกับเป็นพระอะไรเงี้ยมากกว่าครับอาจารย์แต่ไม่ต้องอยู่ในรูปแบบของพระคือวิธีปฏิบัติจิตก็คือควบคุมจิตให้สงบไม่ให้จิตโลภโกรธหลง วิธีที่จะไม่ให้จิตโลภโกรดหลงก็ต้องมีสติมีปัญญามีสมาธิเห็นต้องพยายามเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสติเป็นผู้ดึงจิตเข้าสู่ความสงบพอจิตสงบแล้วก็จะมีความสุขแล้วพอออกจากความสงบมาพอจิตเกิดความอยากความสุขก็จะหายไปก็ต้องใช้ปัญญามาดับความอยาก พอะดับความอยากได้ความสุขก็จะกลับคืนมานี่คือการปฏิบัติจิตปฏิบัติด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาคำถามจะคุณ I am พักตินะครับในกรณีทั่วๆไปการที่จิตจะเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้นั้นจำเป็นต้องผ่านเวทนาใหญ่ที่มีความเจ็บปวดที่รุนแรงก่อนหรือเปล่าครับ ก็มีสองวิธีไงถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องพุทโธพุทโธโดยที่ไม่ไปคิดเรื่องอะไรนี้ก็สามารถเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้อย่างรวดเร็วห้านาทีสิบนาทีอีกวิธีหนึ่งก็ใช้การพิจารณาทุกขเวทนาเวลาเกิดขึ้นแยกแยกกายแยกเวทนาแยกจิตออกจากกัน จนจ word, map, ิตเห็นแจ่มแจ่มชัดว่ากายก็เป็นสักแต่ว่ากายเวทนาก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตจิตปล่อยวางเวทนาปล่อยวางกายได้จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ถ้าเข้าแบบนี้เรียกว่าเข้าแบบปัญญาเข้าแบบปัญญาอบรมสมาธิถ้าเข้าแบบนี้แล้วสมาธิจะจะมีกาลังมาก ออกจากสมาธิมาแล้วนี่มันยังสงบได้เพราะมันจะมีปัญญาสติคอยควบคุมอยู่มีปัญญาคอยควบคุมอยู่มันจะไม่มันไม่จะมันจะไม่หายไปง่ายเหมือนกับสมาธิได้จากการเจริญสติบริกรรมพุทธโธคําถามาจะคุณวาสนานะครับลูกฝันว่ามีครูบาอาจารย์สอนสวดมนต์ บทสัจกิริยคาถาตื่นเช้าลูกสามารถสวดมนต์บทนี้ได้เลยหมายความว่ายอย่างไรครับพระอาจารย์ก็ไม่หมายความว่าอย่างไงก็สวดได้ก็สวดไปเป็นหมายอะไรทำไมต้องไปหาความหมายด้วยดูความจริงก็แล้วกันเอสวดได้ก็สวดได้สวดไม่ได้ก็สวดไม่ได้ก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรวิเศษวิโส คำถามจะคุณพึงรู้แต่ลมพอนะครับถ้าทำผิดศีลไปบางข้อจะทำอย่างไรครับศีลจะบริสุทธิ์อย่างเดิม อ, อ๋อก็รักษามันใหม่ถ้าถ้าโกหกก็ครั้งต่อไปก็อย่าโกหกอาป้าซตเตอร์ปิดปากไว้ <c oughs> <c oughs> ก็จะรักษาศีลข้อนี้ได้คำถามจะคุณเปียนะครับที่ฉันถือศีลห้า และศีลแปดมาสิบเจ็ดปีแล้วค่ะเข้าวัดพร้อมปฏิบัติสมถะเรื่อยๆคำถามคือเวลาทำสมาธิมันลงสงบเยือกเย็นอารมณ์ตอนนั้นไม่อยากออกเลยแต่พอบางทีเราอยากออกแต่ออกไม่ได้ทำอย่างไรดีคะก็อย่าออกสินั่งสมาธิเพื่อไม่ให้มันออกเมื่อมันเข้าไปแล้วมันอยากออกก็อย่าไปทาตามความอยากความอยากก็คือกิเลส น, นั่นเอง อยาออกไปทำไมออกไปเราร้อนอยู่ในห้องปรับอากาศเย็นสบายแยาออกไปอยู่ข้างนอกที่มันร้อนทำไมก็ต้องใช้ปัญญาเนี่ยจากที่สอนเนี่ยกิเลสมันชอบหลอกเราอยู่เอยอยู่ที่ไหนไม่มีไม่ไม่ดีสักที่ต้องต้องไปที่นู่นถึงจะดีพอไปถึงที่นู่นก็อยากจะไปนั่นต่อมันจะหลอกเราไปเรื่อยๆถึงบอกว่าไม่ต้องไปไหนแล้วถึงบอกให้นั่งเฉยๆแค่หกชั่วโมงไม่ต้องไปไหน ตรงนั้น่ะดีที่สุดแล้วถ้านั่งเฉยๆได้ไม่ทําอะไรได้ในสบายมีความสุขแล้วไม่ต้องมีอะไรเอะในกรณีเช่นนี้มันจะมีสภาวะอื่นไหมครับอาจารย์ที่ทําให้ไม่สามารถออกได้แล้วจะมีผลเสียอะไรไหมครับถ้าแบบออกไม่ได้เลยไเงยไม่เสียไม่เสียหรอกจิตมันสงบมันก็ไม่อยากจะออกเหมือนคนนอนหลับก็ไม่อยากจะตื่นเวลานอนหลับการมาปลุกก็ไม่อยากจะลุกใช่ไหมถ้ายังนอนไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้านอนอิ่มพอแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาเองตื่นขึ้นมาเอง คำถามคำถามจากคุณพึงรู้แต่พอลมลมพออีกครั้งนะครับพระพิสุสามเณรสามารถใช้สบู่ยาสีฟันผิดวินัยไหมครับ อ, อ๋อไม่ผิดหรอกก็ใช้ได้เพื่อชำระร่างกายอย่าใช้เพื่อให้มันเกิดความหอมในร่างกายเป็นเครื่องสำอางก็แล้วกัน ใช้เพื่อเป็นการรักษาร่างกายใช้เพื่อชำระสิ่งสโปรกต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายให้หมดไปใช้เพื่อรักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขใช้ได้คําถามสกุลภาริทัศน์นะครับการเข้าผวังคืออะไรครับคําว่าผวังก็คือความสงบนี่ผวังมันมีสองลักษณะสงบแบบมีสติกับสงบแบบไม่มีสติสงบแบบมีสติเราก็เรียกว่าสมาธิ สงบแบบไม่มีสมาธิาไม่มีสติก็เรียกว่าหลับพลังหลับกับพวังสมาธิคําถามจะคุณเก่งนะครับทําอย่างไรเราจะลดความอยากได้ครับก็ไม่ทําตามความอยากนะทุกครั้งที่จะอยากก็ฝืนใจอย่าไปทําเช่นอยากจะสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบมันอพุทโธพุทโธไปลืมอย่าไปคิดถึงบุหรี่เดี๋ยวมันก็ลืม หรือถ้าถ้ามีกำลังสู้มันได้ก็ใช้กำลังอดทนสู้กับมั น, มนไม่สูบอย่างเดียวจะตายก็ยอมตายจะทุกข์ยากขนาดไหนก็ยอมทุกข์ถ้าถ้าไทยแบบนี้ได้แนละ้มันจะหายเร็วมันจะหายยากเร็วถ้าเราใช้สติเราก็อาจจะเพียงแต่หลบมันท่านเองเข้าสมาธิไปพอออกมาเดี๋ยวเจอมันอีกนั้นในที่สุดก็ต้องเจอมันต้องใช้ด้วยปัญญาจะดีกว่าปัญญาก็คือ ต้องเห็นว่าการทําตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นคําตอบแต่เป็นการสร้างปัญหาไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาพ่าเมื่ออยากแล้วมันก็จะมีอยากมาเรื่อยๆไม่มีวันจบแต่ถ้าเราไม่อยากมันอยากแล้วเราไม่ทําตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหายไปคนที่เลิกบุหรี่ได้ก็เพราะว่าไม่ไม่ไม่ยอมทําตามความอยากไม่ยอมสูบทุกครั้งที่อยากจะสูบก็ไม่สูบแล้วต่อไปมันก็จะไม่กลับมา คำถามเจาคุณตองนะครับเราใช้ร่างกายนี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการทำกรรมดีกรรมไม่ดีและเพื่อศึกษาเรียนรู้ทางธรรมและทางโลกเรียนรู้การหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเกิดเราก็ห้ามไม่ได้ตายก็ห้ามไม่ได้แต่ความแก่เราชะลอได้ด้วยพึ่งหมอศัยกรรมอันนี้ก็คือ กิเลสโยมรู้ดีแต่โยมเป็นคนรักสวยรักงามแต่ไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นนะคะทำเพื่อตัวเองแต่ก็รู้นะคะว่าเดี๋ยวก็ดับกับสุขนี้แต่โยมไม่ได้เบียดเบียนใครและมีการทำบุญเผื่อแผ่คนรอบข้างอยู่เรื่อยๆและเป็นคนชอบให้มากกว่าเอาค่ะแต่ก็ทำในสิ่งที่ตนเองชอบบางครั้งมันรู้สึกอึดอัดในความคิดของตัวเองว่า แค่นี้ยังปงไม่ได้ช่วยแนะแนวความคิดหน่อยนะคะว่าทําอย่างนี้มันบาปไหมคะมันไม่บาปแต่มันไม่เป็นประโยชน์ ม, นนมันเป็นมันนเป็การยึดติดอยู่กับความสวยความงามอที่จะทําให้เราต้องทุกเวลาที่ร่างกายมันไม่สวยไม่งามอเดี๋ยวขอ อ่านประโยค์บอกเล่าบ้างนะครับรอคำถามแป๊บนะครับประโยชน์บอกเล่าจะคุณแนนซี่นะครับคําสอนของท่านช่างมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกทุ ก, ท, กทุกคาเทศสอนของท่านมีประโยชน์ต่อคนทั่วโลกผู้อยู่ไกลอย่างลูกอยู่ไกลแต่เหมือนได้นั่งอยู่ใกล้ๆท่านลูกปฏิบัติตามไม่มีความสงสัยในธรรมธรรมะช่วยลูกได้ในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติตนเองต้องทําเอง ครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้ชี้ทางให้ไปในทางที่ดีลูกขอน้อมกราบกราบกราบท่านด้วยเสียนก้าวเจ้าคะ่ะอืขั้นรายการอใครในสาราอยากจะถามก็มีมีเนื้ออยากจะเล่าเหตุการณ์ของตนที่มาสัมผัสกับ ก, บการได้มาศึกษาที่นี่ก็ ก็ลองมาเล่าให้ฟังกันบ้างก็ได้ไม่คิดสตังไม่มีค่าโฆษณาไม่มีไม่เก็บค่าอะไรตอนนี้ถ่ายทอดสดนะไปทั่วโลกเลยเนี่ยจากคุณกูนะครับนั่งสมาธิได้ไม่นานและไม่สงบจะแก้อย่างไรดีคะเพราะสติมีกาลังน้อยนั่นเองต้องสร้างสติให้มีกำลังมากๆาการ การเข้าสมาธิก็เป็นเหมือนการชักกะเยอะกันฝ่ายหนึ่งก็จะดึงเข้าฝ่ายหนึ่งก็จะดึงออกฝ่ายที่ดึงเข้ามีกำลังน้อยคือสติมีคนเดียวอย่างนี้แต่กิเลสมีต้องยี่สิบคนอย่างนี้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะอยากดึงให้เราออกไปเที่ยวออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสบาเสกก็เลยนั่งไม่ได้นาน แต่ถ้าเราพยายามสร้างสติขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเพิ่มกำลังของสติให้มีมากขึ้นหลังไปสติก็จะมีกาลังมากกว่ากิเลสก็สามารถที่จะดึงสติดึงจิตให้เข้าสมาธิได้ทุกทุกครั้งทุกเวลาที่ต้องการนั้นการจเจริญสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการทำใจให้สงบจากคุณศรีนาศนะครับ เราอยากทําบ้านให้สะอาดผิดหรื อ, อยังนะครับผิดผิดหรือไม่แล้วถ้าไม่อยากทําบ้านให้สะอาดเป็นการปล่อยวางหรือไม่และอยากทําบ้านให้สะอาดเป็นการยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ครับก็เป็นความอยากไงความอยากก็เป็นกิเลสคนรจะทําทได้เหตุด้วยผลคือบ้านมันก็ที่อยู่อาศัยมันก็ต้องสะอาดเรียบร้อยเราก็ทําไปตามหน้าที่เมื่อมันไม่สะอาดไม่เรียบร้อยเราก็ทําไป เมื่อมันสาดเรียบรอยเราก็ไม่ต้องทำอะไรอันนี้ก็คือทำด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ทำด้วยความอยากจากคุณวิสุดานะครับเราเคยทำผิดศีลและรู้สึกผิดอยู่ตลอดเราควรทำอย่างไรคะก็อย่าไปทำผิดสิก็รู้อยู่แล้วทำแล้วไม่สบายใจไปทำทำไมก็ต้องฝึกต้องหาตั้งสัจจะบ้างตั้งสัจจะอธิษฐานว่า ต่อไปนี้จะไม่ทําผิดศีลข้อนี้แล้วถ้าทําผิดก็ต้องมีบทลงโทษเช่นถ้าชอบดื่มกาแฟก็ลดกาแฟลงจากเด่มสามแก้วก็ให้เหลือแค่แก้วเดียวเหรือไม่ให้ดื่มเลยทั้งวันมันจะได้มีอะไรมาคอยต่อรองกันถ้าไม่มีบทลงโทษแล้วมันก็เหมือนกฎหมายที่มีมีกฎหมายแต่ไม่มีบทลงโทษคนก็ไม่เคารพกฎหมายกัน ถ้าฝ่าไฟแดงโดยที่ไม่มีบทลงโทษมีใครจะไปเคารบไฟแดงกันใช่ไหมมาถึงเจอไฟแดงก็ไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเราที่เราจะทำอะไรนี้มันจะต้องมีมาตรการคอยคอยลงโทษการกระทาที่ไม่ถูกต้องเมื่อไม่เมื่อมีการทำมีการลงโทษมันก็จะไม่กล้าทำอย่างหลงตาท่านบอกว่ า, าช่วงที่ท่านบวชใหม่ๆนี่ ท่านยังชอบกินอยู่ยังหิวอยู่ท่านบอกล้างบาทเพิ่งเสร็จใหม่ๆอยากกินอีกแล้วท่านบอกมันถ้าอยากนี้ต้องไม่กินสักสามวันอ่าต่อไปความอยากกินไม่กล้าโผล่มาเพราะอยากทีไรจะไม่ได้กินสามวันอดจริงๆแนละ้วท่านก็เป็นคนเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยว คุยคำไหน้วต้องเป็นคำนั้นไม่ใช่ตั้งกฎตั้งระเบียบลงโทษพอถึงเวลาไม่ได้ดื่มกาแฟก็ไม่ไหวแล้วอย่างนี้ก็อย่าไปหวังความเจริญก้าวหน้าเลยจะนงว่าเราอ่อนแอมากทางด้านจิตใจไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีอะไรเลยถ้าอย่างนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้ยาก อ, อย่างนี้ก็ต้องไปอยู่ที่ให้เขาบังคับเรา เช่นเด็กนี่บางทีพ่อแม่ต้องส่งไปอยู่ที่โรงเรียนดัดสันดานเนี่ยไปอยู่โรงเรียนกินนอนเนี่ยถึงเวลาต้องตื่นก็ตื่นถึงเวลากินก็กินไม่มีใครเข้ามาเอาเอาใจถ้าไม่ทําก็จะถูกลงโทษอาจจะต้องถูกขับไล่ออกไปจากโรงเรียนนี่คือเรื่องของจิตใจมันต้องมีมาตรการมันถึงจะเจริญได้หมดแล้วเลยนี่ครับคําถามจากคุณภาริทัศนะครับ เวลาเดินจงกรมกำหนดพุทโธไว้ที่ไหนครับกำหนดที่พุทโธไม่ต้องกำหนดที่ไหนก็เดินไปแล้วก็พุทโธไปแต่ก็ต้องดูทางที่เราเดินด้วยไม่ใช่พุทโธไปแล้วไม่ดูว่าเรากำหนดจะไปเหยียบอะไรหรือไม่หรือเราเดินไปถึงสิ้นทางแล้วยังพอถึงจบทางเดินแล้วเราก็ต้องเลี้ยวกลับก็ต้องมีสติอยู่กับทั้งเดินและทั้งพุทโธไป แต่อย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆเท่านั้นเองคำถามจากคุณกูนนะครับการพิจารณาขันห้ามีขั้นตอนในการพิจารณาอย่างไรคะตามหลักแล้วเราก็พิจารณาร่างกายก่อนพิจารณาร่างกายแล้วก็พิจารณาเวทน า, า, าคือความเจ็บของทางร่างกายว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ที่เราพิจารณานี้เพื่อทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายเรื่องของเวทนาคือทุกขเวทนาถ้าเราเข้าใจร่างกายเราเข้าใจทุกขเวทนาเราก็จะไม่ทุกขกับมันคือเราจะเข้าใจว่าเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ เราชอบอยากอยากไปควบคุมบังคับเขาพอเราควบคุมบังคับไม่ได้เราก็ทุกข์กันบางคำถามอขอให้ไปเปิด Google นะครับเป็นต่อไปขั้นเวลาด้วยคำถามประโยคบอกเล่านะครับ <c oughs> คุณพิมพรนะครับฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วปฏิบัติตามแล้วตัดกิเลสออกจากใจได้มากเลยค่ะถ้าเราไม่อยากติดกิเลสก็ต้องมีพุโทโธ อยู่ในใจทุกวันดังคำสอนของพระอาจารย์หนูปฏิบัติตามแล้วเห็นผลจริงๆค่ะปัจจุบันนี้หนูก็มีจิตสงบมีแต่ความสุขในธรรมะของพระอาจารย์สุชาติเจ้าค่ะกับอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะสาธุสาธุใครชมเรารีบสาธุกไน <laughs> <laughs> ไก่ดาก็สาธุกครั <laughs> คำถามจากคุณเปิมพงนะครับการดูนักมวยชกกันแล้วรู้สึกสนุกกับมันนี้บาปไหมครับเพราะเขาทำเป็นอาชีพและมีการบาดเจ็บบาดเจ็บเพราะถ้าดูไก่ชนผมเข้าใจว่าบาปบาปมันไม่บาปเพียงแต่ว่าเราไม่มีความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยากลำบากของคนอื่น กลับเอาความทุกข์ยากของคนอื่นมาเป็นเหตุให้เรามีความสุขเท่านั้นเองเราต้องมองกั บ, บมุมกับถ้าเกิดเราต้องไปเป็นนักมวยบ้างต้องไปเป็นไก่บ้างอแล้วเราจะยังจะมีความสุขเข้าการอาต่อสู้กันหรือเปล่าควรจะมีความสงสารมากกว่าหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องป่งว่าอามันเป็นกรรมของเขาเป็นอุเบกขาไปยี้ คำถามจากคุณกุ้งนะครับมีคนฝันเห็นวิญญาณของครูที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่เก้าธันวาที่ผ่านมาบ่อยครั้งเห็นแก่ยังวนเวียนอยู่แถวโรงเรียนหลายคนก็ฝันว่าท่านเข้าบ้านไม่ได้มาอยู่กับป้าที่บ้านใกล้ๆโรงเรียนล่าสุดครูที่อยู่โรงเรียนก็ฝันว่าท่านอยากกินกล้วยผู้ปกครองบางคนก็ฝันเห็นอยู่ในโรงเรียนหลายคนก็วิจารณ์ไปต่างๆนานาว่า ท่านยังมีห่วงกราบขอคาอธิบายจากพระอาจารย์ถึงเรื่องนี้ค่ะออก็ใช้หลักการเรามาสวดกันแล้วกันเวลาเราได้ยินได้ฟังอะไรจากใครพุทธเจ้าบอกว่าเอาไปพิสูจน์ก่อนว่าพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงมันเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าพิสูจน์แล้วมันจริงก็ก็ค่อยเชื่อว่ามันจริงถ้าเรายังพิสูจน์ไม่ได้เราก็อย่าไปเชื่อแต่เราไม่ต้องไปไ ป, ไปปฏิเสธ เท่านั้นเองรู้แล้วก็ปล่อยวางไปห ม, มหมดแล้วเหรอคำถามหมด้วครับอาจารย์ก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนามเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ